ใครมีอะไรจะถามหรือเปล่าหรือว่าจะฟังฟังก่อนแล้ว เ, เดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจค่อยถามก็ได้แต่เช้านี้ก็ได้เทศเรื่องการฟังเทศฟังธรรมที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมา ได้ประโยชน์ขึ้นมาก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบคือกายก็นั่งเฉยๆวาจาก็ไม่มีการคุยกันใจก็ไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆใจก็ตั้งสติรับฟังเสียงที่เข้ามาสัมผัสกับหูแล้วก็เข้าไปในใจ ถ้าฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบก็ได้ก็คือการฟังด้วยศีลด้วยสมาธิถ้าฟังด้วยศีลด้วยสมาธิธรรมที่ฟังก็จะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาสมัยพระพุทธการมีการบรรลุธรรมกันในขณะที่ฟังธรรมก็เพราะว่ากายวาจาสงบแล้วก็ใจก็สงบ ใจเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาใจพิจารณาทำเหตุและผลที่ได้แสดงไว้อย่างต่อเนื่องก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาพอเกิดปัญญาก็สามารถดับความหลงดับความอยากดับความทุกข์ได้ก็บรรลุธรรมขึ้นมา อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาขั้งแรกให้แก่พระปัญจวัคคีหนึ่งในพระปัญจวัคคีคือพระอัญญาณโกณทัญญาก็บรรลุเป็นพระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นเหตุเห็นผลเห็นอริยรรสัจสี่นี่เองเห็นผลก็คือความทุกข์ เห็นเหตุก็คือความอยากเห็นผลก็คือการดับของความทุกข์เห็นเหตุของการดับของความทุกข์ก็คือปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนี่แหละคือการฝังเทศที่จะทำ ให้เป็นมงคลดังที่ในมงคลสูตรได้ทรงตรัสไว้ว่ากาเลนะธรมมัสวนังเอตามังกละมุตตมังเพราะถ้าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระอรญาณกลทัญญาก็จะไม่มีวันที่จะบรรลุธรรมขึ้นมาได้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้ เพราะว่าบวชมานานแล้วปฏิบัติมานานแล้วแต่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรำของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตัดสู้ก่อนหน้านั้นถ้าฟังก็ฟังแต่แตทำระดับศีลระดับสมาธิเพราะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตัดสู้ก็ทรงรู้เพียงศีลและสมาธิตูจากวิธี รักษาศีลต่างๆโดยจากวิธีทาใจให้สงบเข้าสู่ระดับฌานต่างๆได้แต่ไม่รู้จักวิธีดับความทุกเวลาที่ออกมาจากสมาธิเพราะไม่รู้ว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากแล้วก็ไม่รู้ว่าความอยากนี้เกิดจากความหลงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรมา แก้ความหลงแต่หลังจากที่ได้ทรงประทับอยู่ใต้โคนต้นโพนะเจริญวิปัสสนาเจริญสมถภาวนาก่อนพอจิตสงบแล้วก็ทรงเจริญวิปัสสนาภาวนาทรงไข้กวนพิจารณาหาเหตุต่างๆว่าความทุกข์นี้เกิดจากอะไรก็ทรงพบว่าเกิดจากความอยากเมื่อพิจารณาแล้วก็ พิจารณาต่อว่าแล้วความอยากเกิดจากอะไรความอยากก็จะเกิดจากความหลงความหลงคืออะไรความหลงก็คือไม่เห็นความจริงนั่นเองเห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนนี่คือความหลง พระทรงพิจารณาเห็นว่าสปปรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่เทีย่ยมมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดามีเกิดมีดับเป็นธรรมดามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดอยู่ชั่วคราวมาแล้วก็ไป แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งตามความต้องการของใจได้ถ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอเห็นเราว่าไม่สามารถไปสั่งไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ยอมรับความจริงว่ามีเกิดก็ต้องมีดับเมื่อถึงเวลาที่เขาจะดับ ก็ปล่อยให้เขาดับไปพอปล่อยดังนั้นความอยากก็หยุดพอหยุดความอยากความทุกข์ก็หายไปแทนที่จะทุกข์วุ่นวายใจเหมือนเมื่อก่อนเวลาที่จะต้องสูญเสียอะไรไปกลับไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจเพราะเห็นความจริงแล้วว่าหยุดไม่ได้ความเสือ่อมความตายความดับของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ เป็นเรื่องปกติของเขาเรามาหลงไปคิดว่าเขาไม่ดับเขาจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดนั่นเองนี่คือวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ว่าสภาวธรรมทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอรู้แล้วความหลงที่คิดว่าเป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตาก็จะหายไป ความอยากที่จะให้อยู่ไป น, นานๆเป็นของเราเป็นนานๆเป็นไปตามความต้องการของเราก็หมดไปพอความอยากหมดไปความทุกข์ก็หมดไปพอความทุกข์หมดไปความสุขที่ยิ่งใหญ่ก็ปรากฏขึ้นมาที่เรียกว่าปรมังสุขขังพอมีความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไปอย่างตลอดไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปกับสิ่งต่างๆและไม่เกี่ยวข้องหั้งถ้าสิ่งต่างๆนั้นเสื่อมหมดไปก็จะไม่ไปหามาใหม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเวลาสูญเสียอะไรไปถ้ายังหาใหม่ได้ก็จะหาสูญเสียทรัพย์ไปถ้ายังหาได้ใหม่ก็จะหาสูญเสียคู่รักไป ถ้าหาใหม่ได้ก็จะหาสูญเสียร่างกายไปถ้าหายใหม่ได้ก็จะหาเช่นร่างกายนี้หลังจากที่ตายไปแล้วถ้ายังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากได้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็จะไปหาร่างกายใหม่ก็จะกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาแก่ใหม่มาเจ็บใหม่มาตายใหม่ ซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รู้จริงเห็นจริงมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เป็นไปตามความอยากได้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่อยาก ก็อยากแล้วจะทุกข์ทุกข์แล้วก็ไม่ได้ดังใจอยากอยู่ดีอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ไปยับยังความแก่ความเจ็บความตายนี่คือธําที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัรู้พอทรงตัดสัรู้แล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่น พอผู้อื่นมีจิตใจที่สงบมีกายวาจาที่สงบพอฟังแล้วก็จะเห็นดังที่พระพุทธเจ้าทรงลู้ทรงเห็น ท, ทันทีก็สามารถบรรุษธรรมได้ในขณะที่ฟังเลยนี่คือการบรรลุธรรมในสมัยพระพุทธกาลสำหรับผู้ที่มีบุญบา ร, รมีพร้อมอยู่แล้ว เกิดมีเสียงบริสุทธิ์อยู่แล้วมีสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่แล้วเวลาฟังเทศฟังธรรมใจไม่ลอยไปลอยมาเหมือนกับเวลาที่เราเทน้ําใส่แก้วถ้าแก้วตั้งอยู่เฉยๆไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเวลาเทน้ําลงไปในแก้วน้ําก็จะลงไปในแก้วทั้งหมดถ้าเทท่านถ้าแก้วแม้ ไม่นิ่งแก้วสายไปสายมาเช่นเวลานั่งอยู่ในเรือหรือนั่งอยู่ในรถเวลาจะเทน้ำใส่แก้วนี้ก็อาจจะเทเข้าไปไม่ได้เพราะมือจะสายไปสายมาเทน้ํำก็ไปก็เข้าไปบ้างไม่เข้าไปบ้างจิตที่ไม่นิ่งไม่สงบไม่ตั้งมัน่นเวลาฟังเทศฟังธรรมก็จะไม่ได้รับเหตุรับผลอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ก็จะไม่เกิดปัญญาขึ้นมาก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้แต่ถ้าใจนิ่งสงบตั้งใจฟังทุกคำพูดที่เข้ามาสัมผัสกับหูแล้วใช้ใจพิจารณาตามเหตุตามผลที่ได้อาจาแสดงไว้ถ้ามีปัญญาพอที่จะนำเอามาพิจารณาตามได้ก็จะบรรลุธรรมได้ ถ้ายังไม่มีปัญญาพอก็ต้องฟังหลายๆรอบเช่นครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นทรงแสดงให้แก่พระปัญจพรัพระปัญจวคัคคีที่มีอยู่ห้ารูปด้กันแต่มีเพียงรูปเดียวเท่านั้นที่มีปัญญาที่จะพิจารณาตามเหตุตามผลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงได้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้เพียงองค์เดียว แต่อีกสี่องค์นี้หลังจากที่เอาไปพิจารณาค่ายควรต่อเอกสักระยะหนึ่งก็ปรากฏมีดวงตาเห็นตามเห็นธรรมตามขึ้นมาตามลำดับเพราะความรู้ความสามารถในการพิจารณาด้วยปัญญาของแต่ละบุคคล น, นี้ยังมีความแตกต่างกันบางคนหัวไวฉลาดฟังครั้งเดียวก็เข้าใจ บางคนฟังครั้งเดียวไม่เข้าใจต้องพูดซ้าอีกครั้งสองครั้งถึงจะเข้าใจบางคนต้องพูดหลายครั้งด้วยกันกว่าจะเข้าใจอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาบารเมที่แต่ละคนได้สะสมมาซึ่งมีไม่เท่าเทียมกันแต่ก็สามารถที่จะพัฒนาให้ขึ้นมารับธรรมของพระพุทธเจ้าได้เช่นกัน อย่างพ่อปัญจวคัคคีทั้งห้านี้หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอีกครั้งหรือสองครั้งก็ได้บรรลุเป็นพออาาระอรหันต์ขึ้นมาพร้อมๆกันทั้งห้ารูปเลยนี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เป็นมงคลแก่ชีวิตมงคลก็คือความสุขความเจริญ ความหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้เองต้องฟังด้วยกายวาจาที่นิ่งใจที่สงบแล้วต้องพิจารณาตามเหตุตามผลที่ได้ยินได้ฟังก็จะเข้าใจแล้วก็จะมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ ท่านที่ต้องบรรลุนี้มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันขั้นแรกก็คือขั้นพระโสดาบันขั้นที่สองก็คือขั้นพระสกิฬาคามีขั้นที่สามก็คือขั้นพระอนาคามีขั้นที่สี่ก็คือขั้นพระอรหันต์มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันความหลงที่จะต้องแก้ก็มีอยู่สิบประการ ขัาแรกมีอยู่สามข้อด้วยกันสามประการด้วยกันคือสักกายทิฏฐิวิจิตจฉาและศีลพัฒตรประป a มา m a พระโสดามันมีปัญญาที่จะแก้ความหลงอันนี้ได้ด้วยการฟังตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพิจัญา ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นอนิจจไม่เที่ยงว่าเป็นทุกขังถ้าไปอยากให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราพอพิจารณาเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเช่นร่างกายเกิดแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาไปห้ามเขาไม่ได้เวทนาคือความทุกขเขาเวทนา ก็เป็นเช่นเดียวกันเขาเกิดแล้วจะไปให้เขาดับก็ไม่ได้เขาจะดับไม่ดับก็เป็นเรื่องของเขามีเหตุปัจจัยที่ทําให้เขาเกิดเมื่อเขาก็เกิดพอเหตุปัจจัยที่ทําให้เขาเกิดหายไปเขาก็ดับไปเองใจถ้าเข้าใจความจริงอันนี้ว่าไปจัดการกับเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางปล่อยให้เขาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเอง ป่อให้ความเจ็บของร่างกายเกิดขึ้นแล้วเมื่อถึงเวลาเขาก็ดับไปเองใจอย่าไปอยากให้เขาดับเพราะความอยากดับนี้จะเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาที่ทรมานที่รุนแรงกว่าความทุกข์ของร่างกายพอเข้าใจดับนี้ก็ไม่ได้ไปอยากหยุดความอยากปล่อยให้ทุกข์เขเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเองะ พอปล่อยได้ความทุกข์ใจก็จะไม่มีก็จะไม่หวั่นไหวกับความทุกข์ของร่างกายร่างกายจะเจ็บจะป่วยขนาดไหนถึงขั้นเวลาที่ใกล้จะตายก็จะไม่เป็นปัญหาต่อผู้ที่ละส ก, กายทิฏฐิได้ละความเจ็บของร่างกายได้ร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยให้เขาเจ็บไปใจเราอย่าไปเจ็บเท่านั้น ความเจ็บของร่างกายนี้เมื่อเปรียบกับความเจ็บของใจแล้วเป็นเหมือนหนึ่งต่อร้อความเจ็บของร่างกายนี้เป็นหนึ่งหนึ่งเดียวแต่ความเจ็บของใจนี้เป็นร้อยถ้าเราอยู่ความเจ็บที่มีน้ำหนักเป็นร้อยได้ความเจ็บที่มีน้ำหนักเพียงหนึ่งเดียวนี้ก็จะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนี่คือการละสกายทิฏฐิต้องพิจารณา ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอมีดวงตาเห็นธรรมก็จะละวิจิกิจฉาได้คือความสงสัยในพระพุทธพรธรรมพระสงฆ์ได้ว่ามีจริงหรือไม่ไม่ต้องไปประเทศเอินเดียเพื่อไปพิสูจน์ว่ามีพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าปฏิบัติธรรมพิจารณาตายรักแล้วมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา เห็นอริยสัจสี่เห็นทุกที่เกิดขึ้นด้วยความอยากและเห็นการดับทุกข์ที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาด้วยการเห็นตายรักษณ์ก็จะไม่สงสัยว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มีจริงหรือไม่ผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าที่สอนนี้มีจริงหรือไม่เพราะว่าคําสอนที่เราได้มาใช้กับการปฏิบัติของเรานี้มันได้ผลอย่างที่ที่ได้แสดงไว้ ก็จะไม่สงสัยว่ามีพระพุทธเจ้าหรือไม่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคําสอนที่ดับความทุกข์ได้หรือไม่ก็ไม่สงสัยพระอริยสงสารวกเกิดขึ้นมีเกิดขึ้นหรือไม่ก็ไม่สงสัยเพราะผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมนี่แหละก็คือพระอริยสงสาวกนั่นเองก็คือผู้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นไปก็เรียกว่าเป็นพระอริยสงฺ นี่ก็จะไม่สงสัยในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปไม่ต้องไปประเทศอินเดียเพื่อไปไปพิศวน์ว่าเป็มิพระพุทธเจ้ามีจริงเหมือนปู่มืูบาอาจารย์ทั้งหลายส่วนใหญ่ท่านไม่ได้ไปประเทศอินเดียกันหลวงปู่มั่นก็ไม่ไล้ไปประเทศอินเดียหลวงปู่สาวก็ไม่ไลยไปประเทศอินเดียหลวงตาท่านก็ไม่ไล้ไปประเทศอินเดีย แต่ท่านไม่มีความสงสัยว่ามีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระธรรมคำสอนที่สอนกันอยู่นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ดับความทุกข์ได้หรือไม่ผู้ที่ปฏิบัติแล้วปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมานี้เป็นไปได้หรือไม่ไม่สงสัยแล้วเพราะเห็นกับใจเห็นกับตนเองนี่คือการละวิจิตริจราความสงสัย อย่าไปอินเดียให้เสียเวลาไปก็ยังจะไม่ดับความสงสัยอยู่นั่นแหละไปแล้วกลับมาก็ยังสงสัยอยู่อาจจะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าแต่อาจจะสงสัยในการปฏิบัติว่าจะบรรลุทมได้หรือเปล่าเอามาปฏิบัติทมกันดีกว่ามารักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์มาทำใจให้สะอาดทำใจให้สงบแล้วก็มา ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรำคือการมีดวงตาเห็นธรรมเห็นตใยรักเห็นอริยสัจสี่ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นเง่งเมื่อปรากฏแล้วก็จะบรรลุเป็นพระสดาบันขึ้นมาบรรลุเป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมาส่วนข้อที่สามที่เรียกว่าศีลับพัตตปรมา่ ก็คือการการงมงายอยู่กับการพิธีกรรมต่างๆพิธีสะดาะเคาะเวลาเกิดความเสื่อมต่างๆขึ้นมาเช่นทำมาหากินแล้วขาดทุนล่มจมหรือร่างกายเกิดความเสื่อมเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเหล่านี้ก็จะ มีคนคอยสอนว่าให้ไปทําบุญเสด็จเขาะให้ไปหาหมอดูให้ไปหาชินเสให้เขาแก้ความเสื่อมเหล่านี้เขาก็จะบอกให้ทําพิธีกรรมต่างๆแต่ถ้าได้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจจคือไม่เที่ยงมีเจริญต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดาพิจารณาว่าเป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะไป สั่งไม่ให้เขาเสื่อมได้ถ้าเขาจะเสื่อมเขาก็ต้องเสื่อมถ้าเขาจะเจริญเขาก็จะเจริญถ้าเห็นความจริงอันนี้ก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปทําบุญสระเคาะไปทําพิธีกรรมต่างๆเพราะว่าการทําพิธีกรรมเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะไปรังับความเสื่อมไม่สามารถไปดับสิง่งต่างๆที่จะดับได้ไปห้ามสิง่งต่างๆที่จะดับได้ เขาจะเสื่อมเขาก็ต้องเสื่อมเขาจะดับเขาก็ต้องดับไปเป็นธรรมดานี่คือการละสังโยชน์คือความหลงเลือ่อความมืดบอดความเข้าใจผิดของปุถุชนอย่างพวกเราทั้งหลายถ้าเราได้พิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายเช่นขันห่าว่าเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาแล้วเราก็จะยอมรับความเสื่อม ชีวิตเราต้องมีขึ้นมีลงไปเป็นธรรมดาจะขึ้นสูงขนาดไหนในที่สุดมันก็ต้องลงอยู่ดีเพราะเมื่อถึงเวลาแล้วร่างกายของคนทุกคนก็ต้องตายไปไม่มีร่างกายของใครที่อยู่ไปคัมฟ้าได้อยู่ไปตลอดได้การปฏิบัติของเรานี่ิก็เพื่อมาปฏิบัติเพื่อมาแก้ความหลง ที่ทำให้เราไปเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าเรารู้ความจริงแล้วเราก็จะไม่อยากไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือการปฏิบัติขั้นต้นการบรรลุธรรมขั้นต้นก็คือให้เห็นความความอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งหลาย ทางส่วนที่อยู่ข้างนอกก็คือลาบรดสรรเสริญลูกเสียงกลิ่นลดผลจะพะเช่นเงินทองข้าวของต่างๆบุคคลต่างๆที่เรารักที่เราชอบวันหนึ่งเขาก็อาจจะดาาเราไปถ้าเรารู้ก่อนเราก็จะมีมีธรรมะคอยคุ้มครองรักษา ไม่ให้ไปหลงไม่ให้ไปอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจไว้พอถึงเวลาที่เขาจากเราไปเราก็จะไม่รู้สึกอะไรรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนพ้าทิตขึ้นกับพระทิตตกเราก็รู้ว่าอาทิตย์เมื่อขึ้นมาแล้วก็ต้องตกไปเป็นธรรมดาตกไปแล้วก็มีขึ้นมาใหม่ได้ เรายังอยากได้ภาพทิศอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็กลับขึ้นมาใหม่คุณคนที่เรารักก็เหมือนกันเสียคนนี้ไปถ้าอยากจะได้คนใหม่เดี๋ยวก็มีคนใหม่มาแทนได้แต่ถ้าไม่เบื่อกับการจากไปไม่เบื่อกับความทุกข์ก็หาใหม่ได้แต่ถ้าเบื่อก็คงจะไม่เอาแล้วเข็ดแล้วอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่ทุกข์มีความสุขมากกว่า ถ้าหยุดความอยากได้การที่เราต้องอยู่กับอีกคนหนึ่ง <_ C 00> ก็เพราะว่าเรายังมีความอยากอ ย, กอยู่นั่นเองนี่คือธรรมที่เราต้องพิจารณาขั้นต่อไป <_ C 00> ก็คือคู่ครองของเราคู่รักของเราอันนี้เป็นขั้นของพระสกิดาคาเมพระอนาคามพระสกิดาคาเมนี้ก็จะลดความอยากมีคู่ครองลงไปได้ทำให้เบาบางลงการที่จะทาให ความอยากในการมีคู่ครองเบาบางลงก็ต้องพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายของคนที่เรารักนั่นเองถ้าเราพิจารณาเห็นแต่ร่างกายของเขาว่าสวยว่างามเราก็อยากจะอยู่กับเขาอยากจะให้เขาเป็นคู่ครองของเราแต่ถ้าเราพิจารณาในมุมกลับบ้างว่าเวลาที่เขาแก่ลงไปหนังเหี่ยวย่นผมขาว เวลาที่เขาตายไปศกขึ้นเอิบอย่างนี้เรายังจะรักเขาหรือเปล่ายังอยากจะให้เขาเป็นคู่ครองของเราอยู่หรือเปล่าหรือถ้าเราไม่คิดถึงอนาคตที่จะเป็นเราอยากจะดูปัจจุบันเราก็ต้องดูเข้าไปในร่างกายของเขาดูเข้าไปภายใต้ผิวหนังเช่นงงผ่าอกออกมาดูผ่าอกผ่าท้องออกมาดูว่า ข้างร่างกายนี้มีอะไรบ้างสวยงามหรือไม่มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีอวัยวะต่างๆมีม้ามมีหัวใจมีตับมีปอดมีผังผือมีลำไส้ไส้น้อยไส้ใหญ่มีเยื่อในสมองศีรษะมีอาหารใหม่อาหารเก่า มีปัสสวะมีเหงื่อมีอะไรต่างๆน้ำเลือดน้ำเหลืองถ้าเรามองเข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกายมันก็จะทำให้เราหายจากความหลงได้หายจากความคิดว่าเขาสวยเขางามเขาน่ารักก็จะทำลายกามอารมณ์ความอยากที่จะมีคู่ครองได้ ถ้าทำได้เพียงครึ่งเดียวก็คือลดได้ทำให้เบาบางลงก็บรรลุเป็นพระสะกิดาคาเมถ้าทำให้หายขาดเลยไม่มีการอารมณ์หลงเหลืออยู่เลยก็จะได้บรรลุเป็นพระอนาคามีเป็นพระอริยสงฆ์ขั้นที่สามถ้าเป็นพระอริยสงฆ์ขั้นที่สามนี้ เวลาตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกสามารถเจริญและคำาเพญธรรมในขั้นของพรหมได้คือจะไปพระอนาคามีนี้ยังต้องเกิดอีกครั้งหนึ่งแต่จะไปเกิดบนสวรรค์ขั้นพรหมไม่กลับมาเกิดใน สวรรค์ของในชั้นของเทพเทวโลกหรือของของมนุษย์โลกพระสกิรากามีนี้ยังจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือกลับมาเกิดในเทวโลกอีกหนึ่งครั้งมาเสกกรมอีกหนึ่งครั้งส่วนพระโสดาบันนี้จะกลับมาเสกกามมาเกิดในเทวโลกหรือมนุษย์โลกนี้อีกไม่เกินเจ็ดครั้งเป็นอย่างมากก็จะ สามารถบรรลุปเป็นพระอนาคามีได้พอบรรลุปเป็นพระอนาคามีแล้วก็แสดงว่าไม่มีความอยากเสกกามอีกต่อไปไม่มีกามอารมณ์เห็นร่างกายที่ไรแทนที่จะเห็นว่าสวยว่างามน่ารั ก, น, รกน่าชื่นชมกลับเห็นเป็นร่างกายที่น่าเกลียดขยะขยะงมีสิ่งที่ไม่สวยไม่งามซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนัง มีสิ่งที่เป็นปฏิกูลต่างๆถูกขับถ่ายออกมาอยู่ตลอดเวลาก็จะไม่มีการมาโลภต่อไปเน่ก็จะบรรลุถึงขั้นที่สามส่วนขั้นที่สี่ขั้นพระอาหารหันต์นี้ก็ต้องมาแก้สังโยชเรื้องบนที่มีอยู่ห้าข้อด้วยกันคือรูปะรูป ะ, ะฉันทะ การมรูปาราคารูปราคะอารูปราคะ อ, อุทัจจะแล้วก็มานะอวิชชาเนี่ยห้าข้อด้วยกันรูปาราคะก็คือความติดอยู่ในความสงบของรูปฌานอรูปราคะก็คือความติดอยู่ในความสงบของอารูปฌาน อุทจจะก็คือการฟุ้งซ่านเวลาปฏิบัติเวลาเจาริญปัญญาพิจารณาเพื่อดับรูปราคะอรูปราคะมานะและอวิชชาถ้าทำเกินเหตุเกินผลก็จะทำให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้แต่ไม่ได้เป็นความฟุงงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านไปในทางการอารมณ์เหมือนปุถุชนอย่างพวกเรา ส่วนใหญ่เวลาที่เราเกิดความฟุ้งซ่านกันฟุ้งซ่านเพราะเรื่องของการอารมณ์นี้อยากจะเสกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะพอไม่ได้เสกก็เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาส่วนพระอนาคามีนั้นท่านเกิดความฟุ้งซ่านเพราะท่านใช้ปัญญาพิจารณาไข้เกลนเพื่อละมานะการถือตัวเพื่อละอวิชชาความหลงที่ละเอียดที่สุด ที่ยังไม่เห็นอริยสัจสี่ขั้นละเอียดที่สุดที่มีซ่อนอยู่ภายในจิตคือไม่เห็นทุกข์ที่ยังมีอยู่ในจิตก่อนหน้านั้นท่านก็ไปติดอยู่ที่รูปร า, า, ารักะกับอรูปารักะก็คือท่านจะติดอยู่กับความสงบคิดว่าความสงบนี้คือพระนิพพานแต่เมื่อพอได้พิจารณาก็เห็นว่า มันไม่เที่ยงมันเป็นที่ผ่านไม่ได้เวลาออกจากรูปรูปฌปานจิตก็หายจากความสงบเกิดความทุกข์ที่เกิดจากอวิชชาขึ้นมาได้เช่นเดียวกับการออกจากอารูปประฌานจิตพอออกจากอารูปประฌานมาก็จะไม่สงบก็จะเกิดความทุกข์อันละเอียดที่เกิดจากอวิชชากรรมานะได้ ก็เลยต้องพิจารณาหาวิธีดับพิจารณาวิธีที่จะละมานะ ว, วิธีที่จะละอวิชชาถ้าพิจารณาโดยใช้หลักอนิจังทุกขังอนัตตาไปไม่ช้าก็เร็วก็จะละมานะได้ละอวิชชาได้พอละมานะละอวิชชาได้จิตก็จะหลุดพ้นทีนี้จิตก็จะสะอาดบรยสุท ในช่วงที่พิจารณาเพื่อละมานะและอวิชชาถ้าไม่ระมัดระวังก็จะพิจารณาแบบเลยเถิดคือไม่หยุดพักก็จะทำให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาภายในจิตได้ดังนั้นพอเวลาเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาก็ต้องพักจิตก่อนต้องหยุดพิจารณาแล้วก็กลับเข้าไปพักในรูปฌานหรืออรูปฌานพอจิตสงบเย็นสบายแล้ว ค่อยถอนออกมาแล้วค่อยกลับมาพิจารณาใปเหมือนกับคนที่ทำงานทำแล้วเมื่อเหนื่อยก็ต้องหยุดทำงานก่อนเพราะว่าถ้าทำไปก็ผลงานก็จะไม่ได้มากนะเพราะเกิดอาการเหนื่อยล้าขึ้นมาเกิดอาการทื่อขึ้นมาสมองทื่อขึ้นมาตอนนั้นก็ต้องกลับไปพักผ่อนหลับนอนกินข้าวให้มีกำลังวังชาก่อน พอออกมาพอได้พักได้รับประทานอาหารแนละ้วก็จะกลับมาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพฉันในการพิจารณาเพื่อละมานะละอวิชชาก็เช่นเดียวกันจําเป็นที่จะต้องมีการพักจิตเป็นระยะระยะเมื่อพิจารณาไปถึงจิดหนึ่งแล้วเริ่มเกิดอาการฟุ้งซ่านขึ้นมาไม่ได้เหตุไม่ได้ผลมีแต่ความอยากที่จะละมานะละอวิชชา แต่ไม่สามารถละได้ก็จะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ตอนนั้นก็ต้องหยุดแล้วกลับเข้าไปพักในรูปฌปานด้วย อ, อรูปฌปานพอจะพอพักเสร็จแล้วมีกำลังดีแล้วสงบใหม่แล้วก็ค่อยกลับมาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลใหม่พิจารณาด้วยไจรักอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาอนัตตาก็คือไม่มีตัวตน เม่ไม่มีตัวตนแล้วเราจะมาถือว่าเราสูงกว่าเขาดีกว่าเขาเท่าเขาต่ำกว่าเขาได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นความหลงจิตนี้ไม่ได้เป็นตัวตวนจิตนี้เป็นเพียงตัวรู้รับรู้เรื่องราวต่างๆท่านั้นแต่มีอวิชชาโมหะความหลงมาปุุงแต่งให้คิดว่าเป็นตัวเราของเราพอมีตัวเราก็ต้องมีตัวคนอื่น อมีตัวกั น, นก็ต้องมีสูงกว่าเท่ากันหรือต่ำกว่าอย่างนี้ก็เลยเกิดมานะขึ้นมาเกิดการถือตัวขึ้นมาก็ต้องพิจารณาว่าความจริงแล้วจิตทุกดวงมันเท่ากันเป็นตัวรู้เหมือนกันหมดส่วนฐานะว่าสูงกว่าต่ำกว่านี้เป็นสมมตุติเป็นบทละครที่เขาเขียนให้เราเล่นกัน เวลาเล่นละครก็จะมีบทต่างๆให้เล่นคนนี้ให้เป็นผู้จัดการคนนี้ให้เป็นคนรับใช้เป็นคนทำความสะอาดเป็นเลขาเป็นอะไรต่างๆกั น, นก็มีฐานะสูงต่ำางกันไปแต่ฐานะเหล่านี้เป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองเป็นบทละครไม่ใช่ของจริงของจริงตัวละครก็เป็นคนเหมือนกันหมด อัในใดจิตทุกดวงก็เป็นตัวรู้เหมือนกันหมดไม่มีสูงกว่าต่ำกว่าเนือเท่ากันมีแต่เหมือนกันก็จะไม่มีการถือตัวต่อกันอวิชาก็คือไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากความหลงหลงในความสุขที่ละเอียดที่มีอยู่ในจิตในขณะนั้นไม่รู้ว่าความสุขนั้นยังไม่ใช่เป็นความสุขแท้ เป็นความสุขที่ยังมีการเจริญและเสื่อมได้อยู่ก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นตายต้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกับที่พิจารณาร่างกายและสิ่งต่างๆพอพิจารณาเห็นแล้วก็ปล่อยวางได้จิตจะเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมไปความสุขที่มีในจิตจะเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมไปไม่ไปรักษามัน พอปล่อยแล้วมันก็จะหายไปหายไปแล้วก็จะเหลือแต่ความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตความสะอาดบริสุทธิ์นี้ก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าปรมังสุขขังความสุขนี้ไม่ใช่เป็นความสุขที่ได้จากความสงบจากการทําจิตให้นิ่งให้สงบแต่เป็นความสงบที่เกิดจากการชําระจิตให้สะอาดบริสุท ตัสะจากความหลงอวิชชาตาสะจากความอยากต่างๆอันนี้เป็นความสุขที่ถาวรไม่มีจุดไม่มีการจเจริญและไม่มีการเสื่อมไปนี่คือผลต่างๆที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมถ้าฟังแล้วไม่บรรลุก็แสดงว่า ยังปัญญายังมีบารมีไม่แก่ก้าวพอสมาธิยังไม่มีกําลังมากพอที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ก็ต้องกลับมาจเจริญสมาธิกลับมาทำใจให้สงบให้ได้ก่อนพอใจสงบแล้วอออกจากสมาธิมาก็ต้องมาสอนใจให้พิจารณาให้คิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตา อย่าปล่อยให้ใจคิดไปในทางนิจจังสุขขังอัตตาอย่าไปคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนี้เป็นของเราจะอยู่กับเราไปตลอดจะไม่มีวันจากเราไปอันนี้ถ้าคิดอย่างนี้ก็คิดตามความหลงทำให้เกิดความอยากก็ดทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะไม่อยู่กับเราไปตลอด เราจะไม่สามารถไปสั่งไปบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการเราได้เสมอพอคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะปล่อยความอยากได้พอปล่อยความอยากได้ก็จะไม่มีความทุกข์นี่ก็คือถ้าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเรายังไม่บรรลุธรรมก็แสดงว่าเรายัางต้องกลับมาเจริญสมถภ า, าวนาก่อน ทำใจให้รวมเป็นหนึ่งเป็นเอกตาล ง, เ ป, เ, ง, เ, ป เ, งเป็นอุเบกขาก่อนพอทำใจให้เป็นเอกตาลงอุเบกขาได้แล้วพอออกจากสมาธิมาก็เอาความบังคับใจให้คิดไปในทางอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอย่าปล่อยให้คิดไปในทางนิจจังสุขังอัตตาคืออย่าปล่อยให้คิดว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างถาวรเที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างจะ อยู่กับเราไปตลอดจาอยู่ภายใต้คำสั่งของเราทุกสิ่งทุกอย่างจะให้ความสุขของเราไปเสมอถ้าคิดอย่างนี้ก็คิดไม่ตรงกับความจริงพอคิดไม่ตรงกับความจริงเวลาความจริงปรากฏขึ้นมาก็จะวุ่นวายใจพอสิ่งที่เราคิดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีเช่นคนที่เราอยู่ด้วยคู่ครองของเราเกิดเขาเปลี่ยนไป เขาเคยรักเราแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปเขาไม่รักเราแล้วเขารักอย่างอื่นแทนเขาอยากจะไปอยู่กับคนอื่นแทนอย่างนี้ใจของเราก็จะวุ่นวายขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่คิดว่าเขาจะต้องเขาจะจากเราไปจะไปอยู่กับคนอื่นเพราะว่าเราหลงคิดว่าเขาจะอยู่กับเราไปตลอดนั่นเองเนี่ยความทุกข์ของพวกเราเนี่เกิดจากความหลงคิดว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้จะให้ความสุขกับเราไปตลอดจะเป็นเหมือนเดิมอยู่ตลอดจะอยู่ภายใต้คำสั่งของเราตลอดแต่พอเขาเปลี่ยนไปเขาไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของเราเราก็เกิดความวุ่นวายใจเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้าเราคอยคิดอยู่เรื่อยๆว่าไม่มีอะไรที่จะเที่งที่ที่จะเป็นเหมือนเดิมคงเส้นคงวา ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆต้องมีการเสื่อมหมดไปในที่สุดต้องมีการพัดผาจากกันเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้เราก็จะได้ไม่ไปอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดพอเวลาเขาอยากจะจากเราไปเราก็ปล่อยเขาไปเพราะเรารู้ว่าเราห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้ถ้าเขาจะไปต่อให้เอาช้าง เราุดไว้ก็ฉุดไว้ไม่อยู่ถ้าเขาไม่ไปต่อให้เอาช้างฉุดให้เขาไปเขาก็ไม่ไปเหมือนกันเราต้องปล่อยวางปล่อยให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเขาเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปเขาจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเราอย่าไปทุกข์กับการอยู่กับการไปของเขาเท่านั้นเองถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือเราต้องสอนใจให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อย กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เป็นเจ้าของอยู่ถ้าเป็นเจ้าของก็คิดว่าเป็นเจ้าของชั่วคราวเป็นของชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่ถาวรร่างกายของเราก็เป็นสิ่งชั่วคราวในที่สุดก็จะเปลี่ยนสภาพไปกลายเป็นขี้เถ่ากลายเป็นเศษกระดูกไป สมบัติต่างๆที่เราได้ผ่านทางร่างกายก็ยจะกลายเป็นของคนอื่นไปเงินทองที่เรามีอยู่ก็กล า, ายเป็นของคนอื่นไปสามีภรรยาของเราก็กลายเป็นของคนอื่นไปอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยพอเราสอนใจอยู่เรื่อยแล้วใจของเราก็จะหยุดอยากหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ ใจของเราก็จะไม่ทุกกับการเปลี่ยนแปลงจะไม่ทุกขกับการดับกับการจากไปของสิ่งต่างๆใจก็จะหลุดพ้นบทพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ก็คือเป้าหมายของการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วเพื่อเราจะได้เอามาสอนใจให้ปล่อยวางให้หยุดความอยากต่างๆ ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาพอเห็นแล้วก็จะหยุดจะปล่อยจะหยุดความอยากจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรถ้ามีถ้ามีเรือเป็นก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่ก็รู้อยู่ว่ามันก็เป็นของชั่วค่าวมีก็มีไว้ชั่วขราวเป็นก็เป็นชั่วคราว mm. เช่นวันดีคืนดีก็ามาตั้งให้เราเป็นประธานบริสัทธ มาให้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรก็ตามก็รู้ว่าเป็นของชั่วคราวเป็นก็เป็นถ้าเมื่อถ้ามันหนีไม่ได้ต้องเป็นก็เป็นไปแต่ไม่ได้เป็นด้วยความหลงความยินดีด้วยความอยากเป็นพอเวลาที่ไม่ได้เป็นมันก็จะไม่เดือดร้อนอะไรเพราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหมดไป ใจผู้ที่มีปัญญาที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งหลายในทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆใจก็จะเป็นเหมือนอ่หยดน้ําบนใบบัวนี้เองน้ํากับใบบัวนี้จะไม่ซึมเข้าหากันน้ําจะกลิ้งอยู่บนใบบัวนี่คือใจของผู้ที่มีปัญญามี เห็นอันนีน้จังทุกขังอนัตตาใจจะไม่ดูดดื่มกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสรับรู้ได้อะไรมาก็ไม่ดีใจเสียอะไรไปก็ไม่เสียใจเฉยๆตลอดเวลาได้มาก็เพราะว่าเขาอยากจะให้มาก็รับเอาไว้เพื่อไม่ให้เสียน้ำใจเวลาไปก็ให้ไปเพราะเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นต่อไปเก็บไว้ก็ไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับตนเอง เสียประโยชน์เปล่าๆเท่าเก็บไว้เฉยๆก็เอาไปให้ผู้ที่เขาเดือดร้อนผู้ที่เขายัางต้องต้องการสิ่งเหล่านั้นอยู่นังการมากับการไปก็จะเท่ากันใจก็เฉยไม่ได้ดีใจเสียใจแต่อย่างใดอันนี้คือลักษณะของน้ำบนใบบัวถ้าได้มาแล้วดีใจเวลาเสียไปก็จะเสียใจอันนี้ก็เป็นแบบน้ำบนกระดาษรับ พอหยดน้ำเข้าไปบนกระดาษซับมันก็จะเกืนกันเป็นเนื้ออันเดียวกันเวลาได้แล้วอะไรมาก็ดีใจสุดๆเวลาเสียไปก็เสียใจสุดๆพอหลงคิดว่าได้มาแล้วจะอยู่กับตนไปตลอดจะให้ความสุขกับตนไปตลอดพอเสียไปแล้วถึงจะรู้ว่าอ๋อมันไม่อยู่กับเราไปตลอดมันไม่ได้ให้ความสุขกับเราไปตลอด นี่ละคือเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติให้เกิดมีความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเริ่มต้นก็อาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้นําทางแล้วเราก็เอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มาพิจารณามาคิดตามต่อไปเราก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าเราทุกครั้งที่เห็นอะไร เราเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆไม่ว่าเขาจะมาหรือเขาจะไปเขาจะเจริญหรือเขาจะเสื่อมก็เป็นเรื่องของเขาใจของเราจะนิ่งสงบเป็นอุเบกขาตลอดเวลาเป็นประมงสุขขังตลอดเวลา การแสดงก็คิดว่าสมควรแก่เวลาจึงขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็จะอนุโมทนาให้พ่อนเพื่อท่านที่ต้องการจะเดินทางไปที่ไหนต่อจะได้ไม่ต้องนั่งรอให้รับผ่อนยะทาวาริวาหาตุราปาริปุเรนติสาการัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิเมวะสมิจตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยถามณโชติระโสยถาสพิติโยวิวาจันตุสัพโรโวินสต มาเตผวะทวันตาลายยสุขีธีคาโยโกผวะอาพิวาทธนสีลิศะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารุธมมาวะทานติอายุวโนสุขังภาลัง